เจ้าหญิงที่เห็นการเกิดดับในครั้งนั้นแล้วนางมนลัยหลังๆที่เกิด มองอย่างชัดเจนมากขึ้นอย่างชัดเจนมากขึ้นมองอย่างไม่มีคุณโมความหลงคอย ไม่ต้องรอให้ลูกหรือสามีมาหยิบยื่นสิ่งที่พอใจให้ลูกหรือสามีมาหยิบยื่นสิ่งที่พอใจดิฉันจะไม่รอไม่ ดิฉันรู้ว่าตาของดิฉันใสสว่างไม่มีใครบอกแต่ในใจ เวลาเธอเหลือน้อยแล้วๆแต่เธอน่ะสิสุราไวน์แล้วก็เบียร์เพราะสุขภาพไม่ๆความดัน ช่วยเรื่องความดันโลหิตให้ดีขึ้นเรื่องความดันโลหิต 105 ปีจึงก่อนอาหารให้ฉันดื่มไวน์เป็นประจำก่อนอาหารก่อน เพราะเจตนาเราดีเราดื่มเป็นยารักษาโรคความดันส่วนสามี เขากินง่ายอยู่ง่ายใจเย็นขยันอดทนทนทำหน้าที่พ่อและสามีที่ดีไม่บกๆฉันจะให้ คนรอบข้างที่ไม่สนิทกันก็จะไม่ทราบว่าดิฉัน ด้วยเงินที่เขายอมจ่ายเงินที่เขายอมจ่ายเพื่อให้ดิฉัน พอด้วยฐานะที่นั่งที่เราเลือกใช้บริการดังนั้นการขยับเคลื่อนไยจะต้องการอะไรจะอยู่ในสายตาของผู้ให้บริการตลอดปีเวลาที่บ่งของไวน์อันนั้น เท่าที่จะสรรหามาเอาใจดิฉันจะดื่มด้วยท่าทีกรีดแก้ววายตามแบบกลั้วผ่านในฟันการเท่หรูเป็น จิบน้อนิดจิบนี่หน่อยโดยเฉพาะการดื่มในเครื่องบิน มารู้สึกตัวอีกทีก็มีออกซิเจนและมีแพทย์ประจําเครื่องบินดิฉัน เถียงหมอว่าดิฉันดื่มไปนิดเดียวเองตอนดิฉันหลงหรือตามที่ดิฉัน ดิฉันก็เข้ารับการตรวจเช็คสมองด้วยเครื่องสแกนสมองเป็นเครื่องที่ แล้วไม่ต้องรอคอยนะคะปัญญาแห่งการรู้จะขุดถอนความชั่ว ถ้าหนูหรือเครื่องบินตกไปตอนนั้นในอาการมึนเมาแบบนั้นถ้าหมดลมไปหรือเครื่องบินตกไปตอนนั้นหนูจะไปเกิดเป็นอะไรรู้มั้ยหนูจะเกิดเป็นเดรัจฉานเลยนะหนูเคยเห็นพวกหมารัวๆมั้ยหนูทําบุญทําทานมามากมี สามีก็ยังรักและยกให้เป็นถึงเจ้าหญิงของเขาเป็นแม่ที่มีลูกที่น่ารัก จึงไม่ค่อยจะเบียดเบียนใครและไม่ นี่นั่นจะเป็นที่ท่านรู้จักกันดีพักตากอากาศของตระกูลไรวาเจ้าของ S&P การเน้นคุณภาพจริงๆจะไม่ให้มีการพูดคุยกันเลยโทรศัพท์มือถือก็ต้องฝากไว้ทุกคนจะเข้มงวดมากเน้นคุณภาพ ที่ทําบุญทําทานแต่ไม่รักษาศีลข้อที่ 5 คือคนที่ทํา อย่างน้อยๆเค้าก็เกิดเป็นมนุษย์แน่นอนเพราะเค้ารักษาศีล 5 อย่างไม่บกพร่องแต่ฉันนี่สิถ้าฉัน เป็นเทวดามาเกิดเลยยังติดสุขอยู่มาแล้วก็กินบุญเก่าแต่ถ้าไม่สร้างบุญใหม่หรือต่อจากนั้นติดสุขอยู่มาแล้วก็กิน เป็นผู้หญิงที่ดีเลิศสมบูรณ์แบบไม่มีข้อติใช้ชีวิตหลงวันๆงานการๆเขาเห็นว่าฉันสุขภาพไม่ดีเดี๋ยว แล้วก็ก็ว่ากันว่าการนอนมากๆจะทําให้ผิวพรรณสวยไม่แก่เร็วตื่น ที่ขัดตัวก็นวดหน้ามีพนักงานบริการขัดผิวขัดตัวอาบน้ําเสร็จเรียกว่าสวยทุกวันแล้วก็ เป็นแก้วสารพัดนึกของฉันโดยไม่คิดว่าการใช้แก้วมีความเสี่ยงต่อการ ไม่ว่าฉันจะต้องการอะไรจะเรื่องอนิชานี่เค้าเก็บไว้ในใจจนกลายเหรอหมอว่าให้ระวังต้องทานยาลดความ เขามีเมตตารักใครอยากให้เราเป็นสุขเวลาเรา มันเด็ดเขาก็แปกใจในใจสามีเห็นว่าไม่ชวนไปซื้อไวน์ จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในขันธ์แต่มาถูกการปรุงแต่งการยึดมั่นจำได้หมายรู้ว่านี่เป็นเราชื่อนี้นี่เป็นลูกของเรานี่เป็นคนที่เรารักนี่เป็นบ้านของเรานี่สมบัติของเราล้วนแต่ของเราของเราทั้งสิ้นยึดมันเข้ามาแบกมันไว้วิปัสสนาจะค่อยๆเห็นตามความเป็นจริงค่อยๆหยิบ สิ่งต่างๆที่รกรุงรังในจิตใจที่ไม่จําเป็นออกจากจิตเป็นการลดละเลิกพฤติกรรมที่เป็นบ่อเกิดแห่งมากก็ หากรู้ก็จะไม่ทุกข์คนเราเวลาที่มีความทุกข์มักจะไม่เป็น ตามทุกอย่างมีเวลาจบของมันเป็นจริงของสัจธรรมว่าทุกอย่างมีเวลาทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่แล้วทุกประดับไปพอทุกน้อยหน่อยความสุขก็เกิดขึ้น ที่ทรงตรัสกล่าวว่าพุทโธคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่สงบเย็นล้างใจด้วยวิปัสสนา คนเราทําดีก็จะต้องละชั่วก่อนจะคิด ดื่มซุลาที่ฉันเคยคิดว่าของฉันนั้นก็ได้ข้อคิดว่าที่ฉันร่างกายของเราร่างกายที่พ่อและ ในครั้งนั้นกลับคิดได้ใหม่ว่าผู้ที่เดือดร้อนที่สุดก็ วายก็ยังอยู่ในตู้ตาที่เห็นเป็นอิสระสติ เขาบอกว่าเขาตามใจว่าเขาตามใจแต่จริงๆแล้วเค้าเหม็นและเบียร์แต่เค้าก็รักฉันที่ฉันเลิกดื่มได้โอ้นี่เราเบียดเบียนสามีนะเนี่ยเพิ่งรู้มันทําให้เค้า ที่จะหรือแม้แต่คนรอบข้างสามีที่แสนดีลูกที่น่ารักตนเองและผู้อื่นทั้งเพื่อนร่วมโลกหรือ บุญเก่าที่มีอยู่ตอนนี้มันก็ไม่แน่นอนบุญหมดเมื่อไหร่ใครจะรู้นว่าฉันประมาณในการใช้ชีวิตขอบคุณทํามที่จัดสรรค์ให้ฉันได้มาพบกับการภาวนาซึ่งแปลว่าทําให้ดีขึ้นพัฒนาขึ้นมากเธอนะคะมาปฏิบัติกันเธอค่ะอย่าลอเสียเวลาเลยมีอะไรในตัวคุณที่คุณยังไม่รู้อีกเยอะอย่ามูตะมองไปรอบๆมองดูแต่คนอื่น คิดแทนคนอื่นปรุงแต่งไปตามกิเลสของๆที่ไม่ต้องอิงวัตถุ ที่มาทําให้คุณทุกข์แต่คุณก็มีจิตที่มีใจเข้มแข็งว่ามี การปฏิบัติธรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติรูปแบบไหนก็แล้วแต่เบาไม่เครียดและทําไปเพื่อการปล่อยวาง ผู้ที่จะได้รับก็คือตัวคุณเองอย่ารอให้มีเวลานะคะ โดยที่แล้วคุณจะเลือกเกิดเป็นอะไรหรือจะเลือกไม่เกิดเลยก็ได้นะคะผู้ริกิดเลือกเกิดได้ไปมาเถอะ 4 กําหนดกายเวทนาจิตและ กระจกใจบางครั้งความเคยชินที่เคยทําเคยใช้บ่อยๆสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นสิ่งที่คุณครั้งไม่ ก็ไม่เคย 8 วัน 7 คืนในสถานที่ต่างๆกันบ้างก็ที่ยุวะพุทธศูนย์ 1ๆปฏิบัติบ่อยมาก 10 ครั้งบางครั้ง คณาจารย์ท่านเห็นฉันมีความตั้งใจปฏิบัติ 02 ปทุมธานีที่นั่นจะเป็น พึ่งตนเองเมื่อกูบาอาจารย์เลื่อนขั้นให้และเมตตาจับจองวันเวลาให้เรียบร้อยฉันก็เพียงแค่ขออนุญาตสามีที่จะไป แต่ก็ที่นั่นเป็นของ 02 นี้ 3 ถึงคลอง 4 บรรยากาศโดยรอบๆเป็นประมาณ 72 ห้องเพราะ ทรง 72 จึงสร้างเพื่อสร้างเพื่อถวายพระ 70 ท่านเพราะแต่ละ 3 ครั้งการ เรณูทัศนะรงค์เป็นประธานในการเปิดอบรมและบรรยายธรรมใช้เวลาวันครั้งแรกมาถึงก็ชอบใจๆของฉันจึง ช่วยจัดดูแลความเรียบร้อยจัดของบุญกุศลที่สามีทําร่วมกันทุกครั้งครั้ง ฉันจะไม่นําโทรศัพท์มือถือมาด้วยหรือถ้านํามาก็จะเก็บไว้ในตู้โดยต้องปฏิบัติ และเดินจงกลมเดินจงกรมนั่งเหมือนพูดกับตัวเองบางทีกายรู้สึกก่อนใจก็รับรู้ตามหยิบจะจับอะไรก็ให้เช่นอยากเข้าห้องน้ําให้ทันกับปัจจุบัน โดยปกติจะต้องมีกระจกสองหน้าแต่งตัวปกติจะต้องมีกระจกส่องหน้าแต่ง 8 นี่ทําไมไม่มีกระจกดูหน้าดูตากันบ้างใจเริ่มหงุดหงิดหนอ ในเวลาค่ําแทบไม่มองหน้ากันเลยมืดแบบนี้มานั่งที่โต๊ะซึ่งใช้เป็นทั้งโต๊ะทานอาหารและโต๊ะหว่างของชายโยคีข้าง หยิบหนอบีบหนอทาหนอทารอบตาซ้ายทารอบตาขวาครีมบำรุงรอบๆทาทั้งหมุดหงิดไปที่ไม่มี ท่าทาขาซ้ายทาขาขวาขณะที่จิตนิ่งขาซ้ายท่าขาขวาขณะที่จิตนิ่งกายเคลื่อนเอ๊ะทุกๆอย่างมี 2 ด้าน มีอะไรก็ทุกข์กับสิ่งนั้นแหละนี่เราแค่ไม่มีกระจกเรายังทุกข์เล็กหนุดหนิดขนาดนี้เพราะเราไปยึดว่าเราจะต้องมีเราต้องต้องใช้มันตลอดเคยมีก็ต้องมีเคยใช้ก็ต้องใช้แล้วถ้ามันเป็นสามีหรือลูกที่เรารักล่ะที่เราลืมคิดไปเหรอว่ามันทุกอย่างอยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์ซึ่งจะต้อง การที่มีความคิดเข้าใจในธรรมชาตินั่น ธรรมะจากรังนกการปฏิบัติวิหลักสูตรเข่มค้นที่ศูนย์วิปัศนากรรมฐานยวพุทธที่กัดสมาคมศูนย์สองปธุมธานีหกคืนเจ็ดวันหลักสูตรของคุณยายเลนูทัสนะรมจะเป็นการปฏิบัติที่ โดยผู้บริการจะส่งเป็นปิ่นโตไว้หน้าห้อง กำหนดรู้ดูกายเวทนาจิตและธรรมให้ทันกับปัจจุบันให้มากที่สุด 4 เดือนที่แล้วทุกครั้งที่มาถ้า ให้เราแจ้งแก่ใจและสอนตนเองให้แจ้งลดละเลิกนิสัยสันดานเสียของตนเองเพื่อจะไม่นำทุกข์ๆว่า แต่จิตก็เป็นคนละดวงเพราะฉะนั้นบุญกรรมที่ ตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นเราปรุงแต่งอารมณ์ให้เราทุกข์หรือๆถ้าเราทันต่อการกระทบแล้วๆครั้งเสมือนการปฏิบัติในครั้งแรกเสมอ เป็นน้ําที่เต็มแก้วแล้วน้ำที่เต็มแก้วแล้วจะพัฒนาจิตใจตนได้อย่างไรถ้าตน ที่จะต้องคอยดูแลการจากกันโดยไม่สามารถติดต่อกันได้นั้นเองในยามที่แม่ถนนสายนั้นไปได้คนเดียว และจะต้องสร้างเองเดินเองไม่มีใครทําให้ใครได้ใครกินคนนั้นก็อิ่มแล โดยการพิจารณาโรคดูตามรู้ตนเองเท่านั้นของการปฏิบัติตนเองจะรู้ว่าโกรธโกรธครั้งทั้งสุข ให้ทันปัจจุบันขณะของตนเองเท่านั้นที่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนและลดตัวตนอันเป็นใช่จริงๆเลยที่ เช้าวันที่ 3 ของการปฏิบัติวันนี้ท่าน 1 ชั่วโมงนั่ง 1 ชั่วโมงและอยู่กับปัจจุบันของกายใจ ทุกครั้งที่บินมามันจะคาบเศษไม้สั้นๆบ้างยาวๆบ้างมาๆหน้าต่างทางเดินจงกรมที่ฉันเดินอยู่ทุกวันวันละ 6 บัลลังก์นกไม้ มันจะบินไปบินมาสร้างรังของมันอย่าง หรือมันคงไม่เสียเวลาไปโกรธเกลียดริษยานกตัวอื่นๆว่าใครทําอะไรอยู่นกมัน ธรรมะคือการทำหน้าที่ของตนให้ดีที่ๆที่อยู่ในโลกเราใช้แต่ มันมีทุกขสัจจะของร่างกายสังขารที่เราหนีมันแก่เจ็บและตายเย็นนั้นฉันสังเกตเห็นนก ความคิดคงจะเหนื่อยโดนขัดใจซะจนไม่มีแรงจะปรุงแต่งไปหา 6 ตาหูจมูกลิ้นกาย และใจตั้งอยู่และดับไปๆอย่างมีสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดังนั้นเวลาที่นั่ง 1 แลแลชั่วโมงถามว่านานเบื่อเหนื่อยตามกิเลสที่โตขึ้น ขณะนั่งสมาธินั้นหูก็เล็กๆจิ๊บๆรัวๆเร็วๆยินสงสัยหนอมันดังมาๆหน้าต่างจิตของฉัน กลับมาที่ไม่สามารถที่จะบรรยายให้ผู้ใดทราบได้เพราะมันรู้ก็รู้เฉพาะตนจริงจริงๆการกําหนดรู้เท่า การรู้นี้เองเป็นประตูสู่ความสิ้นทุกข์ช่วงเวลาที่พัก ที่คอยอ้าปากคอยอ้าปากเพื่อแสดงให้พ่อนกทราบว่ามันดังขึ้นเพียงก็ขยับปีกไปมากลับมาด้วยการคาบอาหารมาป้อนใส่ปากป้อนใส่ปากลูกบ้างแม่บ้างบางครั้งเมื่อใดที่พ่อลูกนกและแม่นกอิ่มก็น่า พ่อนกหยุดพักเลยมันกลับบินไปหาใบไม้ใบ ฉันนอนในห้องไม่ต้องเปิดพัดลมเลยมองไปนอกๆคิดแล้วก็ ก็จิตที่ได้รับการฝึกมาดีแล้วแปลกคุณอย่าเพิ่งเชื่อนะคะคะจิตที่ได้รับการ หลังจากโยคีรวมกันที่หอธรรมแล้วเพื่อทำวัชเช้าและฟังธรรมร่วมกันครั้งนี้มีผู้ร่วมปฏิบัติประมาณ 65 คนทุกคนจะสำรวมกายวาจาใจเพราะทุกๆคนรู้ดีว่าทุกนาทีมีค่าต่อการกำหนดให้เท่าทันปัจจุบันของตนเองอย่าส่งจิตออกนอกกายกลับมาที่ห้องพักมองดูรังนก เห็นพ่อนกพ่อนกเกาะอยู่ขอบรังนกสาธุครอบครัวนกนั้นปลอดภัยจากมรสุมเมื่อคืนนี้พ่อนก ทำให้ความรู้สึกของจิตที่นิ่งย้อนนึกถึงสะอื่นอยู่คนเดียวความเมื่อเปรียบเทียบกับพ่อนกสึกของจิตที่ มีสามีก็รักและตามใจฉันทุกๆอย่างลูกๆก็เช่นกันสามีของฉันจะก้มหน้าก้มตาทํางานบางครั้งเค้า ฉันใช้วาจาไม่น่ารักเลยที่แม้จะมีหลังนกแล้วยังออกยัง เข้าใจแล้วแล้วทำไมคุณต้องทำงานเพราะคุณไม่ประมาทคุณไม่รู้ว่าวัน อันตัวเรานี่หนอแต่เก่าก่อน ไม่มีตัวไม่มีตนโทขันธ์ 5 ไอที่ทนอยู่ๆๆกันเถิดนะเพื่อนเอ๋ย แก้ไขปรับปรุงสํานึกสอนตนครั้งหนึ่งของการปฏิบัติเข้มโดยการอยู่คนเดียว ณศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนาเฉลิมพระเกียรติ 02 ปทุมธานีๆทุกเดือนๆกันแล้วแต่ๆก็จะ ถ้าเรากําหนดไม่ทันกิเลสก็จะเข้าคล่อมงําทําให้เราหลงไปกับมันได้ๆครั้งแล้วก็จะ ก็ต้องการที่จะเอาชนะใจตนเองดัดนิสัยตัวเองดูว่าเราจะพิจารณาตามเพื่อ ตัณหาอุปาทานขอให้ท่านเจ้าภาพผู้บริจาคและๆท่านจงมีอายุวรรณะสุขะพละปราศจากอันตรายทั้งปวงแรกๆก็ๆไปแต่บ่อยๆแม้ตอนกลับมา แล้วงุดงิดอาหารที่ไม่ชอบที่จะรับประทานเรื่องของลิ้นที่มีหน้าที่ลิ้มรสเนี่ยสําคัญมากๆเลยทั้งๆที่รู้นะคะว่ามันจะ ไหนพอเลือกได้ไหนจะเลือกเมนูอาหารร้านขนาดได้ผ่านการปฏิบัติมาแล้วพอเลือกได้ไหนจะเลือกเมนูอาหารดูมัน วันอาหารเช้าที่ได้รับมาดูไม่ถูกใจเลยจึงดื่มนมไปหนึ่งกล่องการปฏิบัติธรรมวันนี้เดินดีนั่งสงบที่อดพอใจในสภาวธรรมนี้ไม่ได้รับมาหิวท้อง แสดงอาการให้รู้ว่าร่างกายต้องการอาหารแล้วอาการให้รู้ว่าร่างกายต้องการอาหารแล้วบอกตนเองว่าอดทนหนอครั้ง ตามมองไล่ไปทีผัดถั่วงอกอย่างเห็นหนอเห็นหนอใจไม่ชอบหนอๆคล้ายๆเชอร์เบทใจฉันฟูๆนับ ฉันกำหนดไม่ทันกิเลสมันโตเป็นตัณหาความอยากทั้งกำลังหิวแล้วก็เบื่ออาหารมาหลายมื้ออันที่ ท่านช้าๆค่ะเสียงอาจารย์อนงนุชกิ่มทองท่านคงมายืนดูฉันเห็นอาการไม่ ขอบพระที่อาจารย์ให้สติค่ะที่พออาจารย์เดินผ่านไปให้สติแล้วฉันแต่ก็ยังยกตักยกตักอ้าอมใส่อ้ำอร่อยจนหมด หมดแล้วอยากกินอีกแต่ที่ทําได้ก็คือดื่มน้ําๆเลยแม้แน่ๆก็คือใจมีความสุขที่ไม้กวาดฝองน้ําน้ํายาล้าง อบรมการเป็นกุลสตรีเรียกว่าเจ๋งตัวจริงเลยฉันทํามาหลายๆที่มาไม่อยากเช่นเวลากวาดบ้านใจเราก็อยู่ จิตบัญญาก็ได้ข้อคิดว่ามีเราอยู่คนเดียวกับงานจิตของเราก็เช่นกันทําปัญญาก็ได้ข้อคิดว่าดูซิ ใจก็สบายเหมือนเวลาเรากวาดแล้วก็ถูพื้นห้อง มันรู้สึกปั่นป่วนในช่องท้องแล้วรู้สึกอยากคลื่นไส้อยากกําหนดลูกหนอเดินไปที่เหนียวข้นทะลักออกมาด้วยแรง พุ่งออกมาจากปากและจมูกคุณเคยเห็นเศษอาหารที่อยู่ในถุงพลาสติกที่บูดเน่าแล้วบวมปูดๆเน่าๆแล้วพุ่งดันจนกระทั่งถุงแตกมั้ยคะ และอาจจะมีแบคทีเรียที่ติดมากับน้ําแข็ง ลงไปสิ้นสภาพเจ้าหญิงตาตั้งของสามีเพียบกองอยู่ที่ชักโครกมือโอบรอบชักโครกสิ้น มันจะทําให้เกิดการเจ็บปวดได้มากขนาดนี้บอกมันได้มั้ย ที่มีมาเป็นละลอกละลอกคิดถึงสามีและ VIP แล้วไม่ว่าจะมีอะไรจะปวดได้ขนาดนี้โอกาสที่ แต่ตอนนี้ในความเป็นจริงคือรอบๆห้องของฉันแข็งๆเดินช้าๆ ฉันจะต้องพาตนไปที่ห้องธุรการข้างล่างด่วนที่สุดก่อนๆเลย ใครจะรู้ภายหลัง 3 ปีต่อมาฉันๆแต่ละก้าวจะยกจะ เคนซิลิเตรียมพานทองท่านมองย้อนขึ้นมาหนูหนูเป็นอะไรจ๊ะหน้าซีดตัวเย็น หนูปวดท้องมากค่ะหนูอาเจียนค่ะอาจารย์ท่าน ไหวไม่หนูไปโรงพยาบาลมั้ยคะสงสัยอาหารจะอุ่นตามตลอดเวลาหน้าท่านอาจารย์ท่านดูอ่อนโยน ฉันรู้สึกอบอุ่นเมื่อเห็นสายตาและท่าทางของอาจารย์ที่หนูกำหนดนะ การกําหนดจะช่วยทําให้หนูรู้สึกดีขึ้นดู ปกคองให้ฉันนอนลงด้วยความเมตตาทําให้ฉัน จากในห้องน้ําฉันลุกไปช้าๆฉันถ่ายเหลวมากค่ะท่านผู้ฟังการกําหนด เวลาที่เราจิตของเราก็สนใจฟังเพลงบ้างห้องน้ําความทันสมัยของโถสุขภัณฑ์มันจะเก็บกิ่นจิตของเราก็บ้างดูทีวีบ้างรู้ได้กําหนดเลยว่าไอ้ที่ ให้เรามองอาหารที่เรารับประทานว่าสุดท้ายชั่งเลือกชั่งชั่งวุ่นวายในการเลือกอาหารเพราะว่าไม่ว่าอาหารจะเลิศนั้นมันก็ อะไรจะเกิดกับเราจะเราคงไม่ปล่อยให้ท้องว่างกับเราถ้าเรารู้เราคงไม่ปล่อยให้ท้องว่าทุกๆการเจ็บป่วยก็มีเวลาที่มันจะสิ้นสุดของมันพอ ฉันนั่งพิจารณาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันสอนฉันว่าอย่า ท่านอาจารย์เพนสิริคงสั่งให้ทํามาให้ฉันโดยเฉพาะเพื่อจะได้ย่อยง่ายๆฉันทานอย่างสงบปราศจากความชอบไม่ชอบไม่น่าเชื่อนะเกิดขึ้นมาสั่งสอนให้ฉันเห็น ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติมานานๆท่านจะมีความเมตตากรุณาและอ่อนโยนห่วงใยเราไม่รังเกียจที่เราอาเจียนเหม็นเลอะเทอะท่านเมตตาเช็ดหน้าเช็ดตาให้เรานางฟ้าของฉัน